มาทรอรรัตนาโกสิล์ชนน้องๆมอปลายร่วมแข่งขันประกอบอาหารจริงทุนการศึกษาที่ฮ่องกงวิทยาลายัยผู้ประกอบการสร้างสรรคนาชาติรัตนาโกศิล์รัตนาโกสิล์กก International College of Creative Entrepreneurship ไรส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนาโกสิล์ขอเชิญชวนน้องๆ้องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรักด้านการประกอบอาหารมาเข้าร่วมการแข่งขันไรส์ คูรีแนรีคอมเพลซ t i o n การประกอบอาหารชิงทุนการศึกษาและการศึกษาดูงานกับสถาบันการครัวดิซิปเอสโคปิเอเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024416000ต่อ2236หรือ0852549535สํานักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปอทแนะประชาชนระวังการแชร์ข้อมูลข่าวฝุ่นละออง PM 2.5 ควรตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก่อนลงเชื่อจากกรณีที่เว็บไซต์ข่าวปลอมมีการนำเสนอข่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 จนเกิดอาการผิวหนังพุพองและช็อกเสียชีวิตสร้างความตื่นกลัวให้กับประชาชนผู้รับข่าวสารจนกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาเตือนว่าเป็นข่าวเท็จ โดยนำภาพผู้ป่วยที่แพ้ยาจากสาเหตุอื่นมาสร้างข่าวให้เกิดความตื่นตระหนกนั้นล่าสุดพันตำรวจเอกสิริวัตดีพอผู้กากับการสามกองบังคับการปรับปรามและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอป อ, อทอในฐานะโฆษกบอกอป อ, อทอกล่าวว่า ศูนย์เฝ้าระวังโซเชียลของบอกอปอทได้ตรวจสอบพบข่าวดังกล่าวแล้วเบื้องต้นทราบว่าเป็นเว็บไซต์ชื่อ gmmwork.com จึงได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบเสนอกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเข้าไปดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไป โดยอยากเตือนประชาชนในเรื่องของการรับส่งข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ควรใช้ความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อหรือแชร์เพราะนอกจากจะส่งข่าวปลอมแล้วยังอาจมีความผิดพลาดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์การรับฟังข้อมูลข่าวสารควรตรวจสอบจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เช่นเว็บไซต์ของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการหรือสำนักข่าวที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้